อีกสูตรหนึ่งเลยนะเป็นโดละาระทวาชสูตรกล่าวถึงโอวาตปาติโมกโดยย่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระปินโดลภาระทวาชผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงไตรจีวรเป็นวัด มีความปรารถนาน้อยคือมักน้อยสันโดษวิเวกไม่ชอบคลุกคลีปรารบความเพียรอันนี้นิยกตัวอย่างว่าท่านเป็นผู้ที่รักษาทุดงขณะเดียวกันก็มักน้อยสันโดษอันนี้ก็ในคาถาวัตถุห้าข้อแรกใช่ไหมมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรต่อไปก็ผู้มีวาทกรรจัดหมั่นประกอบอธิจิตก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทัศนะ ท่านนั้นนั่งคูบาลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้เห็นท่านพระปินโดละพารัตวาชะผู้นั่งอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็ทราบเนื้อความก็เปล่งอุทานนี้ว่าอนูปวาโทอนูปคาโตการไม่ว่าร้ายการไม่เบียดเบียนกันปาติโมกเขาจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในพั การนั่งในที่นั่งที่นอนอันสงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตเอตังพุทานาซาสนังนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นสอนให้ไม่ว่าร้ายกันให้ไม่เบียดเบียนกันให้สํารวมในพระปาฏิโมกให้รู้จักประมาณในโภชนะให้นั่งให้นอนในที่นั่งที่นอนอันสงัดให้ประกอบอธิจิตอันนี้คือหลักการใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าสอนถามว่าพระปินโดละภารทวราชนี่คือใคร ที่เรียกว่าชื่อว่าปินโดละเนี่ยเพราะบวชเพราะสแสวงหาก้อนเข้าเขาได้ยินกันว่าเขาเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่หมดสิ้นโภคะตกยากกันนะเห็นลาบสการะเป็นอันมากของภิกษุสงฆ์จึงออกบวชเพื่อต้องการก้อนเข้าเขาก็ถือกระเบื้องแผ่นใหญ่เข้าใจว่าเป็นบาตรโอ๊ยเป็นคือว่า เ, เป็นพระที่ฉันจุมากอ่ะนะเขถือกระเบื้องใหญ่มากเลยเที่ยวดื่มข้าวยาคูเต็มกระเบื้องบริโภคพัดและกินขนมของเคี้ยว ลำดับนั้นผวกพิสุกราบทูลความที่ท่านกินจุแดดพระศาสดาพระองค์ไม่อนุญาตให้เธอใช้สลกบาทเธอจึงคว่าบาทวางไว้ใต้เตียงเพราะฉะนั้นเมื่อจะวางก็เสือกเข้าไปใช่ใต้เตียงเสือกเข้าไปมันก็สีไปหน่อยเวลาดึงออกมาก็สีอีกหน่อยเพราะฉะนั้นดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกมันก็มันก็สึกไปเรื่อยสึกไปเรื่อยจนเหลือจุข้าวเพียงธนานเดียวข้าวสุกเพียงธนาน หลังจากนั้นพี่สุก็กราบทูลแดบบ่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็อนุ ญ, ญาตให้เธอมีสลกบาตให้ครูดไปเรื่อยๆหมายว่าให้ค่อยๆลดอาหารโดยธรรมชาติภาชนะมันลดลงอาหารก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือข้าวสุกขนาดเดียวก็พอละสมัยต่อมาพระเถระเนี่ยเจริญอินทร์ดำรงอยู่ในอรหัตผลเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปฏิบัติจนถึงเป็นพระอรหรันต สมัยนั้นเนี่ยบวชมาหาก้อนข้าวเนี่ยได้กลยานามิตรที่ดีเนี่ยบรรลูกเหมือนกันนะจะบวช ด, ด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตามบวชมาเพื่อจะเรียนลูที่บวชมาเพื่อจะล่วงความลับหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเถอะความที่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกลยานามิตรอาศัยพระอาหารหันต์ในสมัยนั้นท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ซะส่วนใหญ่พูดถึงพระปินโดละก็เหมือนกันความที่ท่านเนี่ยบวชมาสแสวงหาอาหารบวชมาเพื่อก้อนข้าวก็เลยเรียกว่าปินโดละ ตระกูลของท่านคือโคตของท่านคือภาระทวะชะรวมเข้าด้วยกันเรียกว่าปินโดละพาระทวะชะพาระทวะชะผู้บวชมหาข้าวกินท่านนั้นก็รักษาทุดงก็คือสมาทานอรัญญิกะทุดงบินทบาทเป็นวัดเที่ยวบินทบาทเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงไตรจีวรสามผืนเป็นวัดคําว่าทุดงเนี่ยนะทุตะวาโทคือบุคคลผู้กําจัดกิเลสท่านเรียกว่าทุตะ อีกอย่างหนึ่งธรรมะเครื่องกาจัดกิเลสท่านเรียกว่าทุตะทุตะบวกอังคาเขาเรียกว่าองค์ของผู้ที่กาจัดกิเลสเรียกว่าทุดงเนียนะสองอย่างนั้นภิกษุชื่อว่ามีทุตะแต่ไม่มีทุตะวาทะก็มีไม่มีทุตะแต่มีทุตะวาทะก็มีไม่มีทั้งทุตะไม่มีทั้งทุตะวาทะก็มีมีทั้งทุตะมีทั้งทุตะวาดก็มี สอย่างนี้อธิบายว่าข้อแรกก่อนนะภิกษุใดสมาทานประพฤติทุดงด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นเพราะการประพฤติสมาทานทุตะธรรมนั้นอันนี้เป็นหมวดที่หนึ่งข้อที่บอกว่ามีทุตตะแต่ไม่มีทุตะวาทะตัวเองรักษาละ่ะแต่ไม่สอนคนอื่นให้รักษากลุ่มที่สองบอกว่าภิกษุใดไม่ประพฤติสมาทานทุตะธรรมด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่น ให้รักษาทุดงตัวเองไม่รักษากแต่สอนคนอื่นให้รักษาทุดงพวกที่สามรักษาก็าไหมรักษาสอนใครก็าไหมสอนประเภทที่สเอาทั้งสองอย่างคือสมบูรณ์ด้วยทุดงตัวเองก็รักษาสอนผู้อื่นพระปิณโดระาระทวาชาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าท่านเป็นพวกทุตวาทะคือสอนเรื่องทุดงนั่นเองทีนี้พูดถึงพระปิณโดระาระทวาชานี่นะท่านประกอบในอธิจิตอธิบายว่า ความที่จิตเป็นอธิจิตเพราะประกอบด้วยสมาบัตแ8หรือประกอบด้วยอรหัตตผลสมาบัติในที่นี้ที่บอกว่าประกอบอธิจิตหมายถึงพระปินโดรภารัธวาชนะนี้ประกอบในอรหัตผลและจิตสมาธิในสมาบัตินั้นนันเลยชื่อว่าอธิจิตในที่นี้เพิ่งทราบว่าอารหัตตผลสมาธิอาจารย์บางพวดกล่าวว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุผู้หมั่นประกอบอธิจิตพึงมณสิการนิมิตสามอย่างตามการตามเวลา เพราะฉะนั้นจิต ท, ที่ประกอบด้วยสมถาวิปัสนาท่านประสงค์ในที่นี้ว่าอธิจิตมีความหมายสองในะในแรกบอกว่าพระปิณโดะระารัตวะชะกาลังเข้าอารหัตผลสมาธิอีกในหนึ่งพระเทระกําลังเจริญสมถะและวิปัสนาพระพุทธเจ้าทรงทราบเนื้อความเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงกล่าวคือการประกอบอธิจิตอันสมบูรณ์ด้วยการอธิษฐานบริขารและการไม่บกพร่องของท่านปิณโดะระารัตวะชะ เมื่อจะทรงแสดงว่าการประกอบอธิจิตคือการดำรงมั่นแห่งพระศาสนาของเราผู้ที่ประกอบอธิจิตนะให้จิตเป็นไปกับสมถาวิปัสนาเนี่ยชื่อว่าดำรงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้อยู่ได้ก็เลยแสดงโอว่าปาติโมกเหล่านี้โดยย่อว่าอนุปวาทะอนุปวาโทเนี่ยนะคือการไม่เข้าไปว่าร้ายใครๆด้วยวาจาอันนี้ก็เป็นศีลทางวาจาใช่ไ อนูปคาโตก็คือไม่กระทำการกระทบกระทั่งใครๆทางกายอัดแห่งปาติโมกปาติโมกเขาก็อธิบายไปแล้วใช่ั้ยธรรมะอันมีการไม่ล่วงละเมิดกองอบัตเจ็ดกองมีประราชิกเป็นต้นในพระปาติโมกนั่นแหละเป็นลักษณะชื่อว่าสังบลก็ไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายการสำรวมในพระปาติโมกรู้จักประมาณในโภชนะคือรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการ บริโภคเรียกว่ามัดตันยุตาปันตันจะไยนาสนังก็คือนั่งนอนที่นั่งที่นอนที่สงัดเว้นจากการติดต่อกันมิหนารละบางวัดนีกุติห่างกันเป็นกิโลชั้นเสร็จนี่เดินไปถึงกุฏิเนี่ยาหารย่อยเสร็จพอดียไกลมากบทว่าอธิจิตเตจะอายโยโคได้แก่การประกอบภาวนาเพื่อบรรุสมาบัตร8อันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองบอกว่าอนุปวาโท ไม่กล่าวคำว่าร้ายแม้ต่อใครๆอันนี้หมายถึงศีลที่เป็นไปทางวาจาทั้งหมดเพราะศีลทางวาจาเนี่ยไม่เข้าไปว่าร้ายผู้ใดทั้งหมดอนุปคาโตไม่กระทาการกระทบกระทั่งต่อใครๆคือการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายอันนี้สงเคราะห์ศีลทั้งหมดที่เป็นไปทางกายก็เพื่อจะทรงแสดงศีลทั้งสองที่ยังลงในาศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหมด มันการไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายนั่แหละคือปาติโมขสังวรน่ะปาติโมเขจะสังวโรก็คือการไม่เข้าไปว่าร้ายการไม่เข้าไปทำร้ายการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายนี่แหละเป็นเหตุให้สำรวมในพระปาติโมาถามว่าสังวรนเนี่ยคืออะไรก็คือการไม่เข้าไปว่าร้ายการไม่ทำร้ายจริงอยู่ในเวลาอุปสมบทคือบวชเมื่อว่าโดยไม่แปล ก, กันปาติโมขศีน เป็นอันชื่อว่าภิกษุสมาทานแล้วก็คือบวชปั๊บนี่ก็ขณะที่บวชสวดจบก็ถือว่าสมาทานที่จะประพฤติปาติโมกหมดแล้วเมื่อภิกษุตั้งอยู่ในปาติโมกนั้นต่อจากนั้นสังวรย่อมมีด้วยอำนาจการไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายสังวรนั้นท่านเรียกว่าการไม่ว่าร้ายและการไม่ทำร้ายเรียกว่าปาติโมกขสังวรเนี่ยนะแต่โดยปกติศั์ว่าสังวรนี่มีอยู่4อย่างใช่ไหม ที่อื่นมีห้าอย่างนะตรงนี้ยกมาสอย่างก็คือสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรที่อื่นมีอะไรอีกสังวรศีลสังวรเพิ่มศีลมาอีกคำหนึ่งแต่ตรงนี้มีคําว่าปาติโมกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรนผู้ที่มีสังวรอย่างนี้นี่แหละสามารถที่จะรักษาศีลสังวรปาติโมกนั่นแหละคือศีลสังวร เพราะฉะนั้นจึงยกข้อสติสังวรยานสังวรขันติและวิริยะสังวรมัตตัญยุตาจะผัสตัสมมงได้แก่ความเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะรู้ประมาณยังไงรู้ประมาณในการสแสวงหาว่าสแสวงหาโภชนะยังไงไม่ผิดศีลธรรมรับก็รับแต่พอประมาณบริโภคพอประมาณแล้วก็เสียสละเป็นเนี่ยนะปันตันจะสยนาสนังก็คือการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสงัด ไม่ว่าจะเป็นราวป่าโคนไม้อันอนุกูลคือเกื้อกูลต่อการเจริญภาวนาคือหาหาที่เหมาะสมไว้สําหรับประกอบสมถาวิปัสสนาจิตเตจาย โ, โคเนี่ยนะเมื่อทําอรหัตตผลจิตกล่าวคือชื่อว่าอาธิจิตเพราะเป็นจิตอย่างยิ่งจิตที่สูงสุดเนี่ยนะอธิจิตจริงๆคืออรหัตตผลจิตเพราะสูงสุดกว่าจิตทั้งปวงให้สําเร็จ ความภาคเพียรย่อมมีด้วยอำนาจสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาเพื่อกระทำอรหัตผลจิตให้สําเร็จเอตังพุธานาซาสนังการไม่ว่าร้ายผู้อื่นการไม่ทําร้ายผู้อื่นการสํารวมในพระปาติโม่การรู้จักประมาณในการสแสวงหาและการรับเป็นต้นอาหาระนะสแสวงหาอาหารรับอาหารเป็นต้นอย่างถูกต้องอะนะ การอยู่ในที่อันสงัดการประกอบเนืองๆซึ่งอธิจิตคือสมถาวิปัสนาเพื่อให้อรหัสผลเกิดนี้เป็นคําสอนคือเป็นโอวาทคือเป็นคําพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรุปในคาถานี้หมายถึงสิกขาสามสิกขาสามคืออะไรบ้างคําไหนเป็นสิกขาคําไหนเป็นสิกขาไหนก็คือไม่ว่าร้ายการไม่เบียดเบียนการสารวมในปาติโมกอันนี้เป็น เป็นอธิศีละสิกขารู้จักประมาณในโภชนะก็เป็นอธิศีลสิกขาการนั่งนอนที่นั่งที่นอนอันสงัดการประกอบอธิจิตนี้เป็นอธิจิตแตสิกขาถ้าอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วบัญคาถานี้ก็คือสิกขาสามนั่นเองเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระวินัยก็คืออธิศีลสิกขาใช่ไหม พระสูตรก็อธิจิตตสิกขาพิธามก็คืออธิปัญญาสิกขาสิกขาสามนี่แหละคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าการฟังธรรมในวันนี้ก็จงเป็นไปเพื่อทำสิกขาสามให้สมบูรณ์ทำที่สุดแห่งทุกโดยท่วกันวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้